ไปแล้วก็มาเปิดดูแล้วก็พบก็ถามทักกันว่าเป็นใครมาอย่างไหนถามวันณะกันก่อนนะในสังคมฮินดูเองกนะันพอ ร, รู้เป็นวรนนะเสมอกันก็บอกให้ออกมานางปรียาบอกออกไม่ได้เป็นโรคซึ่งน่ารังเกียจมากแต่เมื่อพระรามซักซ้ไซรู้ว่าเป็นโรคเดียวกับตนก็ให้ความอุ่นใจว่าอภัยโทศเขารักษาหายได้ในสุดทั้งคู่ก็ได้วิวากกันนะครับในในดงป่านั้นต่อมาเมื่อทั้งคู่ได้หายโรคร้ายแล้ว สมรสกันแล้วก็ตั้งเมืองที่นั่นแล้วเอาชื่อของต้นไม้ที่นั่นต้นโกลาครับโกริยวงศ์ได้ถือกำเนิดขึ้นณนที่นั่นเองแล้วเมืองที่เป็นที่ตั้งเมืองหลวงเรียกพยักกะป ต, ตะหรือเทวทหนครนั่นเองครับพยักกะป ต, ตะคือทางเสือเดินครับคล้ายๆแก่งเสือเต้นว่าเรานะทางเสือเดินเพราะว่าถืออนิมิตที่เสือเนี่ยนาไปพบกับ พระนางปิยาจึงได้แต่งงานกันทางเสือเดินพยัคฆปัตติผมเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับเพื่อจะโยงให้เห็นว่าเมื่อมาตั้งกรุงกบิลพัทแล้วเนี่ยพวกศักระย์ได้สืบสืบสายมาซึ่งต่อมาพระนางปิยาเนี่ยก็ซีบบอกบุตรว่าวันวพันพระองค์นี่คงจะเกินมานะฮะผู้หญิยยงคนเดียวคลอดบุตรพันองค์แต่หมายว่ามีบุตรชายมากเมื่อหลังแต่งงานกับองค์รามาของพระนรีสีแล้วนะฮะซึ่งก่อกําเนิดโกริยวงศ์แล้ว ได้กระซิบบอกว่าบรรดาเจ้าผู้ครองนครของกบิลพัฒน์นั้นล้วนจะเป็นญาติสนิทของรองทั้งสิน้นและแอบกระซิบออกอุบายให้ไปจับเจ้าหญิงพวกนั้นมาเป็นคู่ให้หมดซึ่งผมผมอ่านอราคงงงเหมือนกันนะคล้ายๆเอาเรื่องอพระสุทนมโนรามาเป็นประทัดฐานในการเขียนที่ว่าเรารู้กันดีว่าไอ้พรานนี่ก็ไปจับนางกินรีทั้งเจ็ที่สนางปิยากระาาซิบพวกลูกๆบอกว่ า, วา พวกิดาของสักยรราชเนี่ยชอบมาอาบน้ําที่แมน่น้ําโรหินีซึ่งเป็นแดนต่อแดนนะฮะระหว่างเบริพั์กับเทวธทาตุและให้ช่วยโอกาสนั้นเนี่ยอุ้มมาทีละคนเลยต่อมาเกิดผสมผสานก็เกิดเป็นสองวงและเรียนตัวเองว่าสักยะทั้งสองวงคือสักยะแห่งกบิลพัทและสักยะแห่งเทวธทาตุดังนั้นต่อมาก็ผสมผสานกันเองตลอดนะฮะเราเพบว่าแท้ที่จริงเทวทัตไม่ใช่ใครอื่นนะ เป็นพี่เขยของเจ้าชายสิทธ า, าครับเพราะว่าเป็นพี่ชายของพัทธกัจจนาครับหรือยโสธราพิมพาเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรฮะแต่ว่าพูดถึงบุคคลที่เรารักก็ต้องพูดถึงพญาติของพระองค์ด้วยเท่านั้นเองครับยังไม่รู้ออกไหนจิทีนะครับพรธเจ้ามัเชีอสาพันไหนกันนะฮะนะทีนี้มาถึงข้าเงอนที่พระพุธ ท่านอาจารย์สุนโมกนะครับได้พูดเปลยว่าผมเชื่อว่าเป็นออสตรารอยนั่นเองซึ่งปเป็นเรื่องที่ผมตกใจมากครับผมรับไม่ได้เพราะมโนภาพเกี่ยวพระุองค์นึงช่างสวยงามเหลือเกินแต่ก็นึกไม่ออกว่าจมูกท่านเป็นยังไงหน้าตาท่านเป็นยังไงแต่ก็ทําให้สวยให้ให้ดีที่สุดเนื่องจากรับภาระในการปั้นพุทธรูปนะแต่เหตุที่ท่านพูดเปลยคํานั้นแม้จะไม่เน้นทําให้ผมต้องค้นคว้ามากกีเดียวค้นภว้าวิสุทสายพันธุ์รูปลักษณ์ของ ชนพื้นเมืองในออสเตรเลียรวมไปถึงภาษาักยะในเนปาลแต่ผมต้องบอกกันหน่อยครับในเนปาลนี้ผมมีเวลาน้อยมากถ้าบรรยายหัวข้อนี้อีกสักเดือนหลังจากนี้คงจะดีไม่น้อยเพราะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับคือไม่ว่าอะไรอะไรต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะในห้วงเวลาแต่ภาษาจะอยู่ตรงนี้สาคัญมากคือผมอยากจะกทราบว่าพวกักยะในเนปาล น, นั้นพูดภาษาอะไร เข่าภาษามันออกไหนเราสืบสาวไปได้ทันทีครับเอเนื่องจากเราไม่รู้เลยว่าพระเจ้าทรงมีอ blood group นะฮะ group ไหนหรือเราทําไม่ได้ไม่รู้ว่าพระเจ้าเลือดกลุ่มไหนก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เรารู้เรามีวิธีที่ดูนะฮะครั้งอดีตเราคิดว่าชายเนนแดงในอเมริกาเนะี่ยเป็นเผ่าเดียวมองมกรลอยซึ่งหน้าตาก็เข้าคาวมากแต่มีหลักฐานโต้แย้งครับกรุ๊ปเลือดไม่เข้ากันมันนั่นมีเรื่องหนึ่ง ที่ในปานนั้นมีกลุ่มประกอบไปด้วยเผ่าหลายเผ่ามากอย่างน้อยสุดที่ผมทราบมีถึงสิบห้าเผา่าและเผ่าหนึ่งชื่อสักยะและสักยะนี่อทอดมาจากจากินเดียครับเราซ้ำไปนิด น, นะรตรงทว่าพระเจ้าประสิทินิโกสนนะครับเป็นกษัตริย์ของแคว้นโกสลนะซึ่งเป็นเจ้านายของกบิลพัทกบิลพัทเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกสนนะ กบิลิพัตไมไ่เป็นเอกเทศเอกราชอะไรที่ไหนดังนั้นเองเมื่อพระเจ้าวิเศิโกศลหันมาเลื่อมสายพระเจ้าแล้วองค์ท่านอยากจะเป็นพระญาติให้แนบแน่นยิ่งขึ้นกับฝ่ายของพระพุทธเจ้าจึงทูลขอขัติยนารีจากศักยวงทีนี้พวกศักยะเรารู้กันแล้วเดี๋ยวนี้นะว่าหญิงขนองในสายเลือดไม่ยอมแม้ลูคนเนเพื่อนไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายดังนั้นเกิดการหลอกลวงครั้งมโหลานขึ้นหนึ่งครับคือลูกซึ่งเกิดอท่ธาตุ คือเป็นเป็นลูกที่เกิดจากทาตุจะเรียกศักยะก็ได้ไม่ใช่ก็ได้นะฮะมอบให้พระเจ้าเปรตนิโกสลไปเป็นชายาพระเจ้าเปรตนิโกสนยกขึ้นเป็นมเหสีเลยนะฮะด้วยความอยากจะเป็นญาติกับพระเจ้าให้ได้นะด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นซึ่งเป็นการกระทํากรรมครั้งใหญ่ของพวกเผ่าศักยะต่อมาเมื่อพระราชบุตรองค์แรกของพระเจ้าเปรตนิโกสนอันเกิดจากนางทาตุคนนี้นะฮะคือวิถูทพะ ขึ้นมาเป็นยุพ ร, ราชแล้วเนี่ยนะแล้วพอได้ครองราชสมบัติแล้วรู้ความเมื่อตัวเองถูกหลอกนะเมื่อเสด็จกลับไปเยี่ยมเมืองกุฏานะคือท้ามหานามสักยะนั้นพวกนี้ก็แกล้งหนีไปเที่ยวป่าไปล่าสัตว์กันแล้วปล่อยพวกทาวต้อนรับก็รับนะเพราะว่าการที่รับแขกซึ่งเป็นวรนนะซึ่งด้อยกว่าตนหนึงถือเป็นบาปเป็นกรรมบาป ทีบังเอิญเรื่องที่จะแตกขึ้นก็นกคือวิถุตภะเมื่อเสร็จพิธีเยี่ยมญาติแล้วก็ลืมพระแสงไว้ในเรือนนะครับในเรือนต้อนรับทีแรกก็ไม่เฉลียวใจเพราะเขาก็ต้อนรับดีเพียงแต่อ้างว่าญาติผู้ใหญ่ไปป่าหรือไปติดถุระเมื่อลืมพระแสงก็หวนกลับมาแต่ลําพังเขาไม่มีทหารมาด้วยเห็นพวกทานกําลังล้างเอานมน้าน ม, นนมลาดพื้นถูกันใหญ่เลยเมื่อซักซ้ายได้ความว่าทานนั้นคงไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าผมเข้าใจว่า โดยปฏิบันไหวพริบของมิจุตุปาเขารู้ได้ครับว่าการที่เอาน้ำนมราดพื้นแดงเปนเรื่องอัปมงคลเมื่อซักซ้ายได้ความว่าเรื่องราวเช่นั้นแล้วก็โกรธแค้นพวกสักยะมากครับเ <c oughs> พราะตัวเองเป็นเจ้านายด้วยนะเป็นเป็นผู้สืบทอดอำนาจของโกศลเหนือกว่ากบิลพัทอีกก็เลยเกิดการแผนการล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเสด็จช่วยไวอย้อย่างน้อยสองครั้ง ครั้งที่สามทรงพิจารณาถึงบุพกรรมของพวกศักระก็ได้ทำบาไปไว้มากดังนั้นก็ท่านเลยละวางในสุดวิธูฐพระก็ล้างเผ่าพันธุ์ครับแต่ผมอยากจะเล่าในเกล็ดซึ่งมีประโยชน์บ้างนะครับในทางธรรมก็คือครั้งแรกสุดที่วิธูฐพระรีทาทัพมานั้นพระพุทธเจ้าข่าวทรงเข้าหูของประกันของพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปห้ามรับวิธีห้ามของท่านช่างเป็นวิธีที่ น, น่าสนใจมาก หรือท่านรู้ว่าเส้นทางเดินทัพผ่านทางไหนแล้วท่านก็เลือกนั่งในต้นไม้ซึ่งไม่มีใบเลยคบใบโคลนและแดดจ้าท่านก็นั่งพักอยู่วิชุะพะนั้นมีความรักเลกเกรงใจในพรธองค์มากเม mm. ื่อเดินทัพผ่านทางนั้นเห็นพระเจ้านั่งแดดจ้าอยู่ก็ไม่เข้าใจครับถอดรองเท้าเข้าไปถามว่าทําไมมานั่งอยู่ในที่ที่ไม่มีร่มมุงบังเลยแดดร้อนชนนี้พระเจ้าทรงตรัสโดยย่อว่า ไม่มีร่มเงาไหนร่มเย็นท่ากับร่มของพระญาติวงแล้วท่านก็กลับเท่านี้เป็นการเตือนสํารับว่ากําลังฆ่าญาติที่น้องกันเองนะวิถุทพราก็เสด็จยกกองทัพกลับวับนจะมีครั้งที่สองแต่ครั้งที่สามพระเจ้าทรงวางอุเบกขาแล้วครับการฆ่าล้างผ่าพันธุ์ครั้งนั้นนะครับทําให้พวกศักยะพวกหนึ่งหนีตายใครที่มีชื่อศักยะต้องตายนะคำประกาศนี้ไปทั่วแผ่นดินของ แฟนโกศลมือนพวกศักยะกลุ่มหนึ่งกนน็หนีไปที่ที่ลาบลุ่มกัดมารดูคือประเทศเนปาลทุกวันนี้แต่ไม่ใช่เนปาลทั้งกนโนนคั้งกนโนนไม่มีประเทศเนปาลชนเหล่านี้เองที่ไปสืบทอดเป็นศักยะซึ่งเดี๋ยนี้มีภิกรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ลุมทินีฐานที่ไประบูตรท่านจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยครับท่านเป็นเผ่าศักยะเพราะไม่รู้จะทําไงเห็นผมท่านว่าเป็นร้อนหรือเป็นขมวดเพราะท่านปรงผมตลอด แต่ผมเองคลางแคลงใจเพราะว่ามันยากที่ปลงใจเชื่อแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรอื่นที่จะไม่เชื่อที่น่าประหลาดก็คือผิวพันของชาวในปาหนเหมือนกับผิวคนไทยทั้งๆ ท, ที่อยู่ติดฮิมาลัยนี่เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งซึ่งผมเมื่อไปที่ในปาาแล้วได้ข้อสังเกตผมกลับมาเล่าให้ท่านอาจารย์สมบฟังว่าผมพบสิ่งประหลาดอันหนึ่งตรงที่ว่าตามธรรมดาแล้วโดยลักษณะภูมิศาสตร์นี คนที่อยู่เขตหนาวผิวย่อมขาวใกล้ศูนย์สูตรผิวย่อมครามโดยธรรมชาตินะฮะแต่ทําไมคนที่อยู่ที่หนาวเยือกเลยที่นั่นนะฮะหนาวขึ้นมาจากอุตรประเทศเองนะชาวอินเดียยังผิวขาวเลยตอนบนนะฮะแต่เนปลาลเหนือกว่านั้นนีกผิวกับคราม <c oughs> ผมคิดว่านี่เป็นการพึ่งอาไปยบไปอยู่ครั้งไหนก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่คนท้องถินน่นนะฮะอาจารย์นั่นบอกก็จดไว้สิหลักฐานนี <c> ้ <oughs> ท่านว่าอย่างนั้นะ เออแต่ว่ามาจากไหนเราไม่รู้ครับเพราะว่าเส้นทางอุยพศเหมือนที่ผมตั้งเขาจากต้นว่าจากซีกซ้ายคือตั้งลุ่มน้ําสินธุนี้ก็ได้นะหรือเส้นทางเก่าที่พวกข อ, อ, อกแกซอยได้อบุบยยศลงมาอินเดียก็ได้หรือไปจากอักสำก็ได้ครับอบยพยยไปทางนั้นก็ได้ทางไหนแน่นี่คือตั้งเ้าความคิดนะครับทางอักสำนั้นไม่มีเขาไม่มีหลักฐานโบราณคดีเลยแต่มีหลักฐานอยู่อันหนึ่งครับ ว่าประเทศไทยโดยเฉพาะที่บ้านเก่าเมื่อส0มสิบปีมีการขุดค้นบราังดีที่บ้านเก่านะเตรียมเภยสยกงนี่เองเพราะว่าเป็นประตูการอบยบครั้งสำคัญแต่เราจะเพิ่งปักใจวันนี้กับคนไทยเลยค่ะตอนนั้นไม่มีประเทศไทยเับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อประมาณสองแสนปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้พราะไม่แน่ใจนะเกิดการขุดพบเครื่องมือหินขัด ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกำมือของมนุษย์ธรรมดาสามัญในสมัยนี้แล้วก็เรียกเขาตั้งชื่อมนุษย์ยักษ์นะฮะก็ขึ้นต้นนําหน้าชื่อทางวิทยากา ร, รว่าจยแอนนะฮะเพราะพบกระดูกกรามนะฮะฟันเนี่ยโตเป็นสองเท่าของมนุษย์ปัจจุบันนี้แล้วในฮ่องกงก็นักโบรางคดีก็พบโอเซอร์นอคนหนึ่งก็ค้นพบในร้านขายยาจีนครับถูกเรียกว่ากระดูกเหมืองก่อนที่จริงเป็นฟันครับฟันของมนุษย์สมัยโบราณ นัการังดีไทยได้แถลงว่าประเทศไทยไม่ใช่ประตูผ่านของมนุษย์เด็กดําบันเท่านั้นทนิ ย, ยบยบแต่เป็นแหล่งกําเนิดนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับในครั้งหนึ่งหลักฐานหลายด้านถูกฝังอยู่ในเกินบนรัฐครับก่อนหน้าที่เกินรัฐจะถูกสร้างขึ้นโปรเฟสเซอร์วิ น, วนเฮมสนไทโปรเฟสเซอร์ของทางรังดีของฮ า, า, ฮาวายได้พบหลักฐานมากมายว่าชนที่อยู่แถบนี้เป็นกลุ่มแรกของโลกที่รู้จักปลูกพืชไร่เขาพบ เกรนของข้าสารในหม้อนะซึ่งนักนักพยาการเลยเขาไต่ไปมากแล้วเขาค้นพบ ว, ว่ามีการอุปยพจากบ้านเก่าไปถึงทวีปออสเตรเลียและไปถึงยูนานเส้นทางนี้เชื่อมโยงกันครั้งยุคน้ําแข็งเผมอ า, มาได้เห็นนี่ได้นะครับแถบเขาแถบน้ําเงินคือเทะเลน้ําลึกแถบข า, ขาวๆล้อมเกาะล้อมประเทศนั้นคือแถบน้ําตื้นน้ําตื้นมากดังนั้นครั้งอดีตเนี่นะครับทวีปออสเตรเลียเนี่ย ต่อเป็นผืนเดียวกับแหลมมาเลจกนกระทั่งประเทศเราในสุดเป็นผืนเดียวกันหลักฐานที่ไม่มีการพิสูจน์อันหนึ่งนะครับเรื่องแปลกตรงที่ว่าคนพื้นเมืองในออสเตรเลียนั้นนะฮะซึ่งเป็นเผ่าออสซาร้อยที่ว่าลองเรียกหมูที่เขาเลี้ยงเนี่ยเหมือนคนปากใต้แถวสงขคาและโนดอันนี้มั้งครับที่ฝรั่งก็ด่าผมเพราะชาวมันเท่ากันกลา เขคิดผมพยายามจะพิสูจน์จริงไหมผมผมไม่เชื่อแต่ว่ามันมีเขาให้คิดครับตรงนี้ว่า<ม>ชาวพื้นเมืองที่นั่นเรียกหมูให้กินข้าวนี่อย่างภาคกลางเรียกอีทอีทหรือเรียกอะไรแต่ภาคใต้เรียกวาววาวาววาถ้าคนอายุรุ่นผมจะรู้ว่านี่ใช่เขาไม่เรียกหมูอีทอีทเลยครับวาววๆวและสิ่งนี้ชาวพื้นเมืองนอสเตรเลียนะครับเรียกหมูให้กินข้าวด้วยเสียงอย่างนี้เรียกวาววาเหมือนกันอีกเรื่องหน้าประหลาดอันหนึ่งคือ ตามธรรมดานั้นนะฮะถ้าเราค้นพบสัตว์ในทวีปอื่นในท้องถิ่นเราไม่มีเราก็ต้องเรียกชื่อตามเขาถูกไ้มฮะถ้าเราไม่มีนะแรดเรามีแต่เขาเรียกชื่ออื่นเราเรียกของเราได้แต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งคือแกังกระรูครับเราเรียกจริงโจ้เลยครับนี่ผมแปลกใจมากว่าทําไมเรามีชื่อของเราโดยที่ว่ามันไม่มีอยู่ในบ้านเราเลยแต่พอเขาเสนอหน้ามาเราเรียกของเราเลยจริงโจ้ถูกไหมฮะ จิงโจ้มีสองชนิดครับจิงโจ้น้ําที่ขาเยาๆที่เป็นแผลแล้ววิ่งถลายไปเนยนะแต่เมื่อกันกระูเข้ามาเราเลี้ยวจิงโจ้อย่างสนิทเลยไม่ไม่มีใครโต้แยงแ้งแม้แนคนเดียวนี่น่าประหลาดแสดงว่ามีการเชื่อมโยงสัมพันธ์อาจเป็นไปเจ้าครั้งหนึ่งเราเคยมีจิงโจ้แล้วเหลือแต่ชื่อแล้วยังหลงเหลือที่ออสเตรเลียมากไปกว่านั้นนะครับสับหลายสัพท์ที่ชาวพื้นเมืองพูดผมเคยนั่งฟังชาวพื้นเมืองพูด ทำท่าจะเข้าใจทำท่าจะไม่เข้าใจเพราะเสียงเหมือนคนปากใต้พูดลราพกคนปากใต้ออกเสียงตัวเอสไม่ชัดไม่มีไม่มีเลยครับสวยหามก็พูดอย่างนี้ครับคนใต้ก็จะงามขึ้นนาสินนี้ไม่ได้แล้วก็เสียงชาวเ ม, เมืองที่นั่นพูดคล้ายมากครับมีเหตุการณ์ครั่งหนึ่งเมืา่อชอางกฤิเมื่อขึ้นฝั่งที่นั่นเป็นไหมพันจะเห็นตัวที่เราเรียกว่าจิงโจ้แล้วฝรั่งเดี๋ยวนี้เรียกกังการูนะ เขาก็ถามชาวพื้นเมืองว่าตัวนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรชาวพื้นเมืองฟังภาษาอังกฤษไม่ออกครับก็แปลว่าแกงกระรูแกงกระรูแกกรแปแล้วไอเดอร์โนคือไม่เข้าใจถามอะไรก็ตอมาผมฟังเพืเ่อนๆก็คล้าแปลว่ากูไม่รู้อะไรต่างแล้วเนี่มันคล้ายกันมากอาแกงกระรูแล้วมันแปลยอย่างนั้นจริงๆด้วยนะแปลว่าไอเดอร์โนผมผมไม่รู้ที่คุณถามไม่รู้ถามอะไรนะพูด เล ย, เออยั้นนะไม่ใช่หลักฐานที่แท้จริงทั้งสิ้นครับแต่มีหลักฐานที่น่าใจจองมากก็คือชนพื้นเมืองที่ออสเตรเลียนะฮะ ร, รวมไปถึงปลา พ, พูนนิวกินี์ซึ่งเป็นเผ่าออสตรารอยเนี่ยเป็นเผ่าเดียวที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้ารอยพิมพ์เนี่ยมีรูปกรุงจักมากที่สุดในโลกรูปสไปรัลเหครับรูปอะไรนรั่นก็เรียกงฮะก้นหอยครับ มากที่สุดในโลกครับมีหลักฐานใน Encyclopedia ยืนยันเลยแล้วเป็นชาติเดียวที่มีเลือดกลุ่มเอ็มมากที่สุดไม่มีเลือดกรุปบีเลยนี่เรื่องน่าสน ใ, ใจมากๆครับแต่นี่ไม่ได้พิสูดพระเจ้าเผ่นช า, อาวออสเตรเลียื่อนงนั้นนะเป็นในข้าเงื้อนในเราต่ายสวนสอบสวน ม, มีอยู่มากทีเดียวนะผมชักไม่แน่ใจว่าจะลงเ อ, อ่ยได้ก็เออ สำหับชาวทิเบตนะฮะชาวทิเบตเชื่อว่าพระเจ้านี่เป็นชาวทิเบตชาวทิเบตนั้นเป็นมองกรลอยแล้วก็สัดส่วนนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าท่อนบนนี่ก็ยาวมากส่วนหลักฐานที่ว่าเมื่อพระเจ้ายืนตรงแล้วแต่ประชานุได้นะฮะผมคิดว่าเป็นหลักฐานที่เต่นแต่ว่าเมื่อสองคืนก่อนเองผมพบความล้มเหลวในความเข้มข้นของหลักฐานนี้เพราะว่าได้เห็นรูปของพระมหาวีระ ยืนประกายตรงและปลายนิ้วแตะหัวเขาได้เหมือนกันครับพระมหาวิราชก็คือนิครนนาถบุตรในพระตาบิดกของเราซึ่งฝ่ายเราเขียนค่อนข้างมีอคติว่าเป็นบุตรนักฟ้อนนะครับที่จริงท่านเป็นลูกของกษัตริย์แล้วก็พูดภาษาชาวบ้านหน่อยับว่าเป็นนักเรียนรุ่มรุ่นกับพระเจ้าครับคือเวลาออกไปทรมานตนนะไปไปเรียนเรื่องอตัอตอตากิลมัทถานโยคก็ไปด้วยกันเมื่อพระเจ้าหันไป อีกทางหนึ่งมหาวีระยังดำเนินต่อไปนะแล้วภ า, าษาสดาสององค์นี้ควบคู่ ก, กันมาในประวัติศาสตร์ถ้าทีของสองพระองค์ไม่กระทบกระทั่งกันเลยแต่ภาษาว o นั้นชวนวิวาสกันอยู่เรื่อยไปแล้วศัพท์ที่เราใช้ในบาลีว่าดีรตถีนั้นแต่เดิมนั้นเป็นคำกลางๆไม่ใช่คำด่าครับคือพวกนิคร น, นาตบุตรหรือชนะ หรือที่ฝรั่งเรียกเพียเ้ยนดปนเชนนะฮะศาสนาเชนชีปเรยนะฮะแล้วเขาเรียกาศาสดาของเาว่าติลถังกรแทนที่เรียกว่าสุคตหรือตถาคตเหมือนของเราติลถังกรคือติดถะติถะคือเดียรถีครับติดฐานี่แปลว่าพูดถึงฝั่งดิดครับดิดนี่แปลว่าฝั่งราชวรสดิดแปลว่าฝั่งของพระราชาติถังกรนะฮะต่อมาคำเดียรถีการคดาด่าจริงๆแปลว่าพวกนักถือ ติระถังกรเท่านั้นครับ เ, เมื่อรูปสลักของติระถังกรอนองแรกคือมหาวีระยืนเนื้อปลายนิ้วเนี่แตะหัวเข่าได้เหมือนกันครับ ถ, ถ้าเราไปที่อินเดียเราไม่ระวังให้ดีหรือขาดความเข้าใจหรือความรู้หรือช่างสังเกตเราจะกลับผิดกราบถูกครับเพราะเหมือนกันมากๆเลยโดยเฉพาะพระติร ะ, ะถังกรที่นั่งขัดสมาธิถ้ายืนนั้นเราเห็นก่อนคือเราเห็นอวัยวะเพศเรารู้ว่าไม่ใช่พระเจ้าแนะ่ ก็เเป็นสีเปือยแต่ท่านังคัตมานี่เราจะไม่รู้เลยครับจนกว่าจะพิจารณาเห็นเส้นเล็กๆของเส้นจีวรเรารู้นี่เป็นพระเจ้าถ้าไม่มีเป็นพระมหาวีระทีนี้ย้อนไปพิจารณาถึงองค์พุทธรูปอีกสักเล็กน้อยนะครับพพุทธรูปที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมีหลายแบบ แต่แบบหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นแบบที่น่าสนใจเป็นที่สุดหมดเวลาไปแล้วครับที่จะสรุปให้เป็นสาระที่มาบ้างนั้นก็ <c oughs> กคือคติ <c oughs> ในการสร้างพุทธรูปของสกุลช่างที่เรียกคันธาระและอินเดียนั้นไม่เหมือนกันก่อนหน้าของรัสมัยพระเจ้าโศกไม่มีการสร้างรูปเคารพเลย <c oughs> ถ้ามีก็เป็นทำเป็นสัญลักษณ์ดอกโบบานท่านนั่งว่างไม่ยอมที่จะทำองค์เป็นตัวพิกเกอร์เป็นคนขึ้นมาเป็นอันคาถือว่าพระพุท ธ, ธไม่ใช่คนเป็นความว่างเป็นอะไรที่ล้ำลึกกว่าที่ตาเนื้อเห็นซึ่งเป็นคติที่ลึกซึ้งมากของตรมนอกแต่แล้วเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชนะฮะในพระบาลีเรียกพระองค์ท่านว่าอลิกกะสุนทราอเล็กซานเดอร์นั่นเองครับ ยกทัพมาโจมตีว่ากันว่ามาถึงแคว้นพิหารนะฮะว่าโจมตีพิหารแตกแล้วก็เสด็จยกทัพกลับอิทธิพลของกรีกก็มีประมาณสองปีเท่านั้นครับทางการเมืองแต่อิทธิพลดังวัตรธรรมนั้นถูกทอดมาเป็นร้อยๆปีครับสิทธิบัตของกรีกจะมีวิธีคิดอีกอย่างหนึ่งที่แกดูรูปนี้ดีนะครับพระปางบาิีนิพานอันนี้คือปางทรมานกายซึ่งมีรูปเดียวเท่านั้นนะเป็นคติของคันธาระ สกุลช่างคันธาระทำไมครับทำไมมีรูปเดียวมีรูปจำลองที่วัดเบญจฯอยากไปดูก็มี <c oughs> ก็ได้ครับ้วยเหตุที่คติความเชื่อหรือกระบวนทัศของชาวพุทธในอินเดียหรือกระทั่งแบบนี้นะฮะอยู่ตรงว่าการตัดสินใจทรมานตนกินหนุจาระอดอาหารนอนมันหนามทรมานานานานา้นเป็นก้าวย่างที่ผิดพลาดของพระเจา้าชาวพุทธไม่ถือว่านี่เป็นผลสาเร็จ แต่คืนที่นั่งใต้ต้นโพนั้นต่างหากคือผลผลิตแล้วท่านชาปุ้ดไม่ยอมทํำเลยปางทรมานของพระเจ้าคือปฏิเสธนี่เป็นความผิดพลาดของท่านอันนี้สําคัญมากนะแต่คติของโยโนกหรือกลีกถือว่าทุกอย่างเนี่เป็นดราม่าของชีวิตคนคนหนึ่งะฉะนั้นไม่ว่าไปทําอะไรก็แค่มองปเป็นเรื่องเรื่องพระเอกหนังนะครับทุกเรื่องทุกตอนนึงแล้วก็ปางสุดท้ายวาระที่จะจากไปยังแสดงอารมณ์เศร้าโศกคอตก คือเขมองชีวิตพระเจ้านี่เป็นคนเดียวตลอดสายของชีวิตมีกิจกรรมลือลั่นเผยแพ ร, สร่สัจธรรมและสุกลาโลกไปนั้นหัวห้อยคอตกนะฮะจึงเป็นการแสดงวิธีคิดของใครและกติของพุทธในอินเดียหรือจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราถือว่าระหว่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถากับพระพุทธเจ้าคนละคนชีวิตของสิทธัตถาได้สิ้นสุดลงที่ใต้ต้นโพในคืนนั้นพุทธะนั้นไม่เกี่ยวกัน นะก่อนสัตรู้เจ้าชายสิทธฐานนั้นยังไม่รู้แจ้งกระหายที่จะสัสรูสรนะ้สอนผู้อื่นไม่ได้ถ้าสอนก็สอนไปด้วยความไม่แน่ใจเดินด้วยควา ม, ม ง, งุนงงสงสัยเต็มไปด้วยปัญหาแต่มไปด้วยกิเลสเห็นได้คืนที่มารพจนแม้จะบวชแล้วก็ตามนะแต่สําหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ปรารถนาการตรัสรู้อีกแล้วเพราะท่านตรัสรู้แล้วไม่ต้องการ อะไรจากใครอีกแล้วไม่สงสัยในสิ่งที่ตัวเองรู้สอนผู้อื่นโดยไม่คลางแครงดังนั้นทางตะนันกถือว่าสองช่วงชีวิตนี้ตัดขาดจากกันนะอันนี้สำคัญมากที่ต้องทำความเข้าใจให้ได้ครับและทั้งกรีกเขามองว่าเป็นดรามา่าเป็นเป็นวิถียิ่งชีวิตดังนั้นการทรมานตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างวีรกรรมมันยิ่งใหญ่ดังนั้นเองคติในการสร้างจึงแตกต่างกันมากครับ ผมเองไม่สู้ชอบฝรั่งที่ชอบวิจารณ์ว่าลูกกลางนะเนี่ยที่ตรงปฐมเทศนาเขาเรียกกันว่าโมนาลิซาแห่งตวนออกท้องเสียมันมันรับไม่ได้มันคนละความหมายส่วนภาพนี้นะครเป็นภาพที่อยู่ที่รับสภาของอินเดียทุกวันนี้เป็นเหตุที่ไว้ที่นี่เพราะเป็นภาพที่ผมเองโดยส่วนตัวรู้สึกสวยมากนะฮะงดงามมากแล้วก็ยาราอรฮารันเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียนั้นเมื่อ เราติดคุกเคลื่อนไหวในการเมืองเอารูปนี้ครับพบติดกระเป๋าไปมิราชทุกข์กนมานอนดูผู้นําทั้งสองคือคันทีก็ดีหรือเนรุก็ดีนั้นแม้ต้องแสดงบทเป็นผู้นําของฮินดูแต่จริงๆคุยกับเรื่องพระเจ้าเนี่บ่อยมากแล้วก็ถือว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอินเดียมีสองละลอกเท่านั้นคือละลอกแรกเมื่อเจ้าชายสิทธิ์ตาออกบวชและพระพุทธเจ้าได้ประกาศทำทำให้อินเดียเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากเมืองที่เป็น อ, อนาระยะศึกสงครามระหว่างแคว้เล็กแควน้อยนี่จนกระทั่งส่งผลเป็นอโศกมหาราชขึ้นมาสร้างจักรวรรดิแห่งธรรมะขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีในโลกนี้นครั้งที่สองก็คือการรวมฝันประชาชาติอินเดียซึ่งผิดแผกแตกต่างหลากหล า, ลายด้วยมหาธรมะคันธทีคันธทีสามารถรวมติดอีกครั้งนึ่องละลอกนี้ครับที่ถือเป็นประจักษ์การเคลื่อนไหวทางภาษาอันยิ่งใหญ่ของอินเดีย ส่วนภาพสุดท้ายทางซ้ายมือนะฮะสองอันนี้เป็นเป็นคุปตะราชวงศ์สมัยสาคุตตะอันนี้เป็นมัุราดะครับในสมัยคุปตะนี่เองครเราเห็นรูปลักษณ์ของใบหน้าของพระพุทธองค์นะฮะของพุทธรูปเนี่ยใกล้ความเป็นมนุษย์ดูแล้วไม่ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ใช่เทพพ ย, ายดาไม่มีฤทธิ์มีเดชแต่เป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์อันนี้ลองลองสังเกตดูดีๆนะ แตพบว่าย่างพุทธรูปสมัยสกอไทยก็ดีหรือยุทธยานะั้ต่มไปด้วยอานาจพลังอํานาจดูแลังดูสั่งอย่างพุทธรูปพุชินราชนะฮะดังนั้นแสดงคติทัดในการสร้างเนี่ยผู้สร้างมองว่าพุทธศาสนาอิงอยู่บนอะไรบางอย่างแต่ถ้าึเป็นสมัยคุปดะนะฮะเขามักจะทําพุทธรูปขนาดมนุษย์ด้วยนะฮะสัดส่วนเท่ามนุษย์ไม่ใหญ่เป็นยักษ์และไม่เล็กจิ๋วเป็นหน้าตักศอกหนึ่งหรือสองศอก ดังนั้นทัศนกติหรือกระบวนทัศน์ต่อธรรมะที่แสดงออกในทางรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าเป็นการพระพุทธรูปเป็นการแสดงธรมรมเนี่ยพระพุทธรูปนั้นเป็นเจดีรูปหนึ่งครับอนั้นเจดีที่เราเห็นเป็นเจดีนะฮะแต่องค์พระพุทธรูปเนี่ยคือเจดีอีกลักษณะหนึ่งและเจดีนี้เป็นเจดีซึ่งแสดงธรรมครับอย่างเราเห็นข้างหลังนี่ที่หลังเลขาโลนะครับ ของเราเนี่ยมาทํามานเรือนแก้วเพราะว่าเราเห็นตรงนี้คือหน้าจั่วบ้านนั่นเองครับเป็นเรือนแก้วลงมาที่จริงคือโพธิปักพิยธรรมทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะทั้งสิ้นครับผมเชื่อครั้งอดีตคงมีความเข้าใจกันอย่างถ่องแท้ดังนั้นการได้ทอดทัศนาพุทธรูปจึงเป็นมงคลนะฮะเหมือนข่าวที่แล้วผมเล่าว่าประเพณีคนใต้มีช่วงหนึ่งพอขึ้นแห้งขึ้นแรงนะทานาเสร็จแล้วนี่ประเพณีไปดูพระ คดเข้าห อ, อกันไปทีเดียวเดินจากสงขลามานะครศรีธรรมราชไปนั่งดูครั บ, รบเพราะมื่อได้ดูสิ่งนั้นมันเกิดความเติบโตขึ้นเหมือนเด็กๆ ด, ดูใบหน้าของแม่ถ้าแม่ใจดีไอ้เด็กก็ใจดีขึ้นโดยไม่ต้องไม่ต้องรู้อะไรมันเรียนแบบได้ครับคิดว่าเวลาล่วงเลยคนระมากแล้วครับผมใกลยจะมาถึงบทสรุปซึ่งไม่รู้จะสรุปยังไงนะครับเออ ท้าความหมายหรือเนื้อหาของชาติพันธ์ของพระพุทธเจ้านั้นมีหลายชั้นหลายระดับมากผมได้พูดถึงชาติพันธ์ทางฟิสิกส์ทางด้านวัตถุในฐานะที่เป็นเพียงอนุสติเหมือนที่เราได้พูดและลึกถึงพระพุทธองค์นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับภิกษุหลายครั้งว่าเมื่อเธออยู่ในป่าเกิดความหวาดกลัวจงนึกถึงเรา คล้ายๆท่านสอนในยึดมั่นในตัวท่านแต่นี่เป็นลำดับที่สําคัญมากครับเมื่อเรามีความรักในผู้หนึ่งผู้ใดแล้วเราจะเงี่ยหูลงฟังเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดที่เรารักนั้นเป็นสัจจบุคคลผู้รู้แจ้งเห็นจริงเราก็ฟังเอาความจริงเข้าแล้วครับแต่ถ้าผู้ผู้ที่เราลักนั้นไม่ใช่สัจจบุคคลเป็นมายาวีหรือเป็นมายาบุคคลเราก็ฟังเงาอาสัตยธรรมเข้าแล้วครับแเราก็จะเจริญไปอีกทิศทางหนึ่ง ดังนั้นเองการนึกถึงพระเจ้าผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องงมงายครับแต่การที่คนบางคนเข้าใจพระพุทธรูปเป็นสิ่งงมงายกราบพุทธรูปนั้นเขาคิดว่าเข้าใจผิดมันขึ้นกับผู้กราบมากกว่าขึ้นในพุทธรูปครับเพราะว่าแม้ไม่มีพระพุทธรูปมันก็งม ง, มงายได้ครับดังนั้นสิ่งีสําคัญมากครั้งอดีตนะครับอาจารย์รุ่นโบราณด้วยมีความคิดที่เกื้อกูลต่ออนุชนรุ่นถัดมา ค้นหาวิธีที่จะสื่อข่าวประเสริฐนี้ให้ถึงมือเด็กคนรุ่นหลังให้ได้สมัยนั้นไม่มีตัวหนังสือพอกีนนะครับที่จะใช้ใช้กันในหมู่ผู้รู้เท่านั้นไม่กี่ตัวด้วยครับไม่สามารถที่เล่าเรื่องพระเจ้าได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอุตสาหอุดอุดสาดลงแรงเอาเงือเข้าแลกเจาะถ้านะถ้าท่านไปที่กันเฮรีเจะเพราะว่าเป็นร้อยๆถ้ำเลยครับเพื่อจะเล่าเรื่องของมหาบุรุษทุนเนะี่ยที่อุบัติขึ้นในชมพูทวี แล้วเผยแพ่คำสอนอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยมีอยู่พระองค์ท่านเป็นผู้มีแต่ผลมากที่สุดพรองค์หนึ่งต่อมนุษย์ทั้งโลกนะไม่ว่าเป็นอันเบิร์ไอน์สไตน์เบอร์ทรัลเซลคนล่นี้ในส่วนลึกแลยยอมสยบต่อบทบาทของพระองค์ท่านนะฮะแต่ว่าโลกของวิชาการนั้นอาจจะเป็นโลกของการดื้อดันทุรังที่จะพิสูจน์ที่จะ ทำให้เป็นวิทยาการมากเกินไปสําหรับทางชีวิตโลกตะวันออกนั้นเราเรียนรู้อลไรจะใครเราจะโค้งหัวให้คนนั้นทันทีแล้วเทิดทูนดังกิริยาของพระมหากจัจจายนะหลังจากพุทธปฏิปานแล้วกัจจายน ะ, ะเสด็จกลับเอ้ยพระกรรหากัจจายนะกลับไปอุชเชนีเพราะท่านเคยเป็นอํามตะที่นั่นเป็นบ้านเกิดของท่านผู้คนแห่ห้อมคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสท่านบอกว่า พระเจ้าพระองค์จริงดับขันไปแล้วท่านเป็นเพียงเสาเท่า น, นั้นแล้วอาศัยพระหมหากระจายนั้นเองครับที่ท่านได้ร้อยกรองคำพีขึ้นเรียองมูลกระจายภาษาบาลีเพื่อรักษาคําสอนของพระพุทธองค์ไว้ชาติพันธุ์ของพระเจ้าในทางสายเลือดนะถูกแล้วครับไม่สู้สําคัญอะไรพระเจ้าจะเป็นใครไม่สําคัญอะไรนะจะเป็นมองโกจะเป็นออสการ้อยไม่สําคัญ